เวลาเราเริ่มนั่งบางครั้งเรามึนๆมึนงงๆ ง, ง, งไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะต้องดูยังไงหรือไม่รู้ว่าจะรู้สึกขนาดไหน ผมมีอุบายง่ายๆเรานั่งอยู่แบบนี้เราก็สังเกตสำรวจสำรวจดูร่างกายมีน้ำหนักอยู่ที่ก้น รู้สึกได้ไหมขาที่ทับกันอยู่รู้สึกได้ไหมมือที่ประสานกันอยู่หรือวางอยู่ที่ใดที่หนึ่งรู้สึกได้ไหมตาที่เราหลับอยู่นี้มันนิ่งเลยไหม หรือมันมีความขยับขยื่อนของมันอยู่รู้สึกได้ไหยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกได้ไหมเราสำรวจสิ่งที่มีอยู่แล้ว เคยขึ้นเครื่องบินมั้ยเขาจะมีคำว่า cross check พวกแอร์โฮสเตสเขาพูดกัน cross check cross check คือการตรวจสอบว่าทุกอย่างพร้อมเหมือนเราจะนั่ง สมาธิทำในรูปแบบเราก็ตรวจสอบความพร้อมของเซนเซชันต่างๆของเราพร้อมที่จะรับรู้ไหมเราไม่ใช่ต้องทำตลอด เราคลอสเช็คแค่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันเข้าที่มันจะเป็นไปเองหลังจากนั้นความอยู่กับเนื้อกับตัวจะค่อยๆเกิดขึ้นเอง เหมือนเราจะขับรถเนี่ยเราก็เช็คน้ำมันเช็คไฟเช็คเกียร์เช็คเข็มขัดเซฟตี้เบลล์พร้อมก็ขับออกไปได้อันนี้เราก็ ตรวจสอบร่างกายของเรานิดหน่อยแล้วเดียวการเจริญสติปัฏฐานก็จะเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมันจะรับรู้ได้ รู้สึกได้ไหมถึงความอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่เราไม่ต้องบังคับมันเอาไว้มันเกิดจากการแค่รับรู้รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนี้รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้ รับรู้พฤติกรรมของจิตใจเช่นมันไปคิดก็รู้ทันจิตใจที่ยังมีกิเลส ยังมีอวิชชาพร้อมที่จะกระเพื่อมหวั่นไว้ไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นสภาพทุกข์ ความทุกข์นี่ตามไล่ล่าเราอยู่ทุกขณะแต่เราไม่เห็นความที่จิตนี้ยังกระเพื่อมหวั่นไหวง่ายๆเป็นความทุกข์ เราตื่นมาทุกวันเคยสังเกตไหมว่าชีวิตของเรานตกอยู่ภายใต้อันตรายเคยรู้สึกกันไหมทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาวันนี้เราไม่รู้ล้าต้องทุกอะไรบ้าง ไม่รู้ร่างกายนี้ต้องทุกอะไรบ้างไม่รู้ว่าจิตใจนี้ต้องทุกอะไรบ้างไม่รู้ว่าความเป็นเจ้าของกายและจิตนี้ของเราทําให้เราต้องทุกอะไรบ้างเคยเห็นอันตรายของความทุก ที่มันตามไล่ล่าเราอยู่แทบจะทุกลมหายใจเลยไหมถ้าเราเคยเห็นแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับความจริงตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่เคยเห็นรู้สึกว่าชีวิตนี้หรือว่าแต่และ ว, วันที่ผ่านไปมีความสุขดีนั่นแปลว่าเรากำลังหนีความจริงอยู่ทั้งวันนั้นเราหนีสำเร็จเราไปคุยเล่น เราไปดูนี่ไปดูนั่นหาความเพลิดเพลินส่งจิตออกนอกไปรับความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราหนีสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จชั่วคราว ความทุกข์จะกลับมาบทคี่เราอีกความรู้สึกทุกข์นั้นจะหนักเพราะมันสัมพัสกับความสุขที่เราหลงไปได้รับมา เหมือนเราตกตึกหลงสุขมากเท่าไหร่จะต้องทุกเป็นดับเบิลมากเท่านั้นแต่ถ้าเรารู้มีความสุขเกิดขึ้นรู้ ไม่หลงเข้าไปในความสุขนั้นเราจะไม่ต้องตกตึกเมื่อเราอยู่ที่รู้อยู่กับรู้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์นั่นจะถูกรู้เหมือนกัน เท่ากันเราจะอยู่ตรงกลางเราจะดำเนินชีวิตอยู่ตรงกลางเราไม่ต้องสุขเราไม่ต้องทุกข์เราเป็นอิสระ จากสุขและทุกนั้นเราฝึกเพื่อจะเข้าถึงอิสรภาพอิสรภาพเริ่มตั้งแต่วันนี้ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เริ่มด้วยการอยู่กับรู้ น, นี้ผมถามว่าเรารู้สึกตัวกันได้แล้วไหมร่างกายขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกได้ใช่ไหมจิตใจไปคิดรู้ทันได้ วันนี้ผมจะเน้นให้ทุกคนหัดรู้จักเมื่อความยินดีพอใจเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบใดๆ ผ่านเข้ามาแล้วจิตใจนี้มีความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ฟังให้ดีเมื่อมีการกระทบผ่านเข้ามา ทางตาตาเห็นรูปสวยรูปที่ชอบพอใจรู้ทันความยินดีพอใจนะั้นเมื่อมีการกระทบผ่านเข้ามาทางอายตนะใดๆตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความยินดี ให้เห็นว่าความยินดีนั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดความยิน้ายก็ให้เห็นว่าความยิน้ายนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วเห็นก่อนเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลย มันไม่ใช่ว่าเราเห็นไม่ได้หรอกเราละเลยที่จะเห็นเราชอบพอเราชอบเราก็เข้าไปคลุกกับมันเลยพอเราไม่ชอบเราก็ชอบเหมือนกันชอบคลุกกับความไม่ชอบนั่นแหละเกียดมัน ฉันจะหาเหตุผลทุกอย่างจะจัดการมันความไม่ชอบกลายเป็นความชอบเมื่อเรารู้ไม่ทันความยินดียินร้ายสิ่งที่ตามมา คือตันหาคือความอยากพอชอบยินดีมันก็อยากให้ความรู้สึกแบบนี้หรืออะไรที่กำลังได้รับรู้อยู่นี้อยู่ต่ออีกนานๆก็ดิ้นหลนหาทาง ที่จะได้รับมันอีกพอยินร้ายก็อยากเหมือนกันอยากให้มันไปไกลๆอยากให้มันจบเรื่องนี้สัทีหนึ่งหรืออยากทำร้ายคนที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ และเมื่อความอยากเกิดขึ้นจะต้องทุกข์เมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วรู้ไม่ทันความอยากจะได้รับความทุกข์แน่นอนชีวิตของนักปฏิบัติธรรม เกลัวความอยากกลัวตันหาที่ผมเคยบอกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อมีตันหาหรือความอยากเกิดขึ้น ไม่กลัวนะวิ่งไปสนองมันทำตามความอยากสนองมันได้เสร็จก็พอใจมีความสุขจะมีความทุกข์ก็ต่อเมื่อสนองมันไม่ได้ ทำไมคนในโลกถึงคิดได้แค่นั้นเพราะว่าเขาข้ามไปไม่ถึงว่ากายและใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เขายังอยู่ในกรอบของว่ากายและใจนี้คือกูพออยู่ในกรอบนี้ทางเดียวที่จะได้ความสุข คือต้องสนองความอยากสนองความต้องการของจิตใจนี้แต่สำหรับเรานักปฏิบัติธรรมเราเลยขอบเขตของการเห็นว่ากายและใจนี้เป็นของเราไปแล้ว เรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นว่ากายและใจนี้ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเมื่อกิเลสตัณหาความอยากเกิดขึ้นในใจเราจะรู้สึกว่าเราต้องเป็นทาสมันอีกแล้วมันบีบคั้นเราอีกแล้ว ความรู้สึกถูกบีบคั้นจากกิเลสในใจที่ยังมีอยู่นั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าเรารู้ว่าการสนองกิเลสนั้นไม่มีวันสิ้นสุด มันเหลือทางเดียวคือเราต้องหมดความอยากนี้เรามีปัญญาพอที่จะรู้ว่าไม่มีทางอื่นเราทำได้แค่เจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆ จนกว่าธรรมชาติของมรรคทั้งแต่จเจริญขึ้นอย่างเต็มที่จนทําลายสังโยชน์อาสะวะกิเลสทั้งหลายลงไปมันถึงหมดความอยากได้ มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อต้นเหตุของความทุกข์นั้นยังมีอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราบังคับอะไรไม่ได้เราได้แต่อดทนที่จะรู้ตามความเป็นจริง จเจริญมากมีองค์แปดนี้ไปเรื่อยๆเท่านั้นและอดทนรอ ไม่ว่ากี่เลทจะมาเยี่ยมเยียนเรากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้นอกจากแค่รู้นั่นเป็นความอดทนอย่างยิ่งของพวกเรานักปฏิบัติธรรม เราไม่หนีเพราะเรารู้ว่าหนีไม่ได้เราไม่สู้เพราะเรารู้ว่าสู้ไม่ได้เหมือนกันเราเหลือทางเส้นเดียวชีวิตที่ไม่มีทางเลือกอื่น ก่อนจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเป็นทุกข์อย่างยิ่งบนเส้นทางนี้เราต้องใช้ความอดทนมาก กระทบอะไรที่ยินดีพอใจเราต้องแค่รู้ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปอินไม่เข้าไปหลงความสุขนั้นรู้สึกยังไง เคลียเลยนะทำไมชีวิตมันจืดชืดขนาดนี้ ถือศิลแปดจะเห็นได้ว่ามีข้อที่พุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้เราฟังเพลงอะไรก็ตามที่มันดูลื่นเริงมันเทิงใจแค่ข้อเดียวก็แทบฆ่ากันแล้ว แต่ทำาไมสำคัญพู้พุทธเจ้าไม่บัญญัติเอาไว้เพราะเวลาเพลิดเพลินเนี่ยมันไม่มีสติมันเพลิดเพลินนานเสียเวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงบางทีเป็นวันเห็นไหมว่ายุคนี้เด็กติดเกมติดกัน ไม่นอนเอาปืนมาค่าพอ่อค่าแม่ตัวเองยังได้ถ้าไปด่าไปว่าให้เลิกเล่นเกมความเพลิดเพลินความยินดีพอใจมันไายกาศขนาดนั้น แต่เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆรู้ทันไม่หลงเข้าไปในความสุขจะมีความสุขชนิดใหม่เกิดขึ้นเป็นความสุขที่อิสระจากความบีบคั้นให้เราต้องไปทำอะไรอะไร ให้เราต้องหลงเข้าไปอินกับความสุขนั้นๆความเพลิดเพลินนั้นๆถ้าเราหัดเห็นให้ได้ว่าความสุขที่เราเรียกว่าความสุขนั้นแท้จริงมันคือความบีบคั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ส่วนการรู้อยู่ โดยที่ไม่หลงเพลิดเพลินเข้าไปนั้นกลับกลายเป็นความสุขทีนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยน เราจะไม่เห็นอะไรๆในโลกนี้มีความสุขเลยทุกอย่างล้วนน่าเบื่อเคยยั้ยฟังเพลงคิดว่าจะผ่อนคลายหน่อย ฟังเพลงแต่ใจไม่ได้มีความสุขแบบที่คิดเอาไว้หูเนะี่ยได้ยินเพลงที่ชอบอยู่แต่ใจไม่ได้มีความสุข ลองสังเกตดูแบบนั้นมันไม่ใช่ทุกครั้งหรอกที่เราควยคว้าหาความสุขแล้วมันจะได้แล้วเมื่อมันไม่ได้สิ่งที่เราจะได้คือความทุกข์แทน ถ้าเรารู้ไม่ทันอีกว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะทุกข์ซ้ำไปอีกจากความดิ้นรนที่จะได้ความสุขให้ได้เปลี่ยนเพลงหาเพลงใหม่ พวเราลองไปสังเกตนะเมื่อไหร่ที่ความอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์มากคนในโลกเห็นยากพออยากปุ๊บมันก็วิ่งไปสนองเลย อย่าว่าแต่คนในโลกเลยคนปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ถูกจำกัดไม่ออกไปไหนไม่ทำอะไรพออยากปุ๊บพกมัก็ไปเลยไปง่ายไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่า มันเลยไม่เคยเห็นโทษของความอยากไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นทุกข์มากคิดว่าสนองให้มันสักทีหนึ่งจบๆจบไปจะได้ปฏิบัติธรรมต่อมันไม่จบอะ พวกเราอยู่แบบนี้มีโอกาสเห็นง่ายพวกเราโดนจำกัดไม่ให้ไปไหนไม่ให้ทำอะไรเราจะเห็นโทษของความอยากชัดเจน เวลาความอยากเกิดขึ้นนี่กลัวเลยข้างหนึ่งก็สนองไม่ได้ข้างหนึ่งก็ตกเป็นธาตุมันคือรู้เฉยๆก็ไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์ทางเดียวจะรอดจาก ความอยากนี้ได้ต้องรู้ทันความยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วเราจะงวดเข้มงวดตัวเองขึ้นแล้วจะรู้ทันความยินดีพอใจให้ทันได้ยังไงปัญหาถัดมาจะเป็นอันนั้น นั่นแปลว่าเราต้องมีสติมีสมาธิที่ดีพอสมควรที่เมื่อกระทบแล้วเกิดความยินดีขึ้นเราเห็นรู้ทันได้แล้วจะมีสติสมาธิที่ดีขึ้นได้ยังไงเราต้องเลิกเลิกทำสิ่งที่ไม่ต้องทำ ดูหนังฟังเพลงฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่พอสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมสติสมาธิมันมาเองมันเพิ่มขึ้น เราไม่รู้จะทำอะไรเราไม่รู้จะไปเพลิดเพลินกับอะไรมันก็ต้องมาอยู่กับตัวพอมันอยู่กับตัวสติสมาธิมันก็เพิ่มขึ้นเองในที่ผมบอกว่าเราอยากเร่งความเพลิน ไม่ใช่เราไปทำเอาเองไม่ใช่เราไปเล่งเอาเองปรับสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการเกิดสติสมาธิให้มันเข้มงวดนั่นคือหน้าที่เราเราทำได้แค่นั้นที่เหลือให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ